กราบบูชาพรตนะไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตังถล่งพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบกระวะอลองพ่อกมอ๋อพระเทรานุเทระปันเตเพื่อนสาธรรมิกและก็เจริญพรแม่ชีโยมอุบาสุกุบาศิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งํำปกติเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของพวกเราที่มาใช้ชีวิต ท, ที่วัดผ่าสุกโตนะหลังจากที่เราได้ไหวพระสดมนนะ่ะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวัน <c oughs> ก็เหมือนกับเป็นการได้มาทบทวนนะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้เป็นเหมือนแผนที่ที่จะชี้ทิศชี้ทางในการที่เราจะเดินทางเพื่อที่จะไปถึงสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองหรือการที่จะให้เราได้ประสบพบกับสิ่งที่เป็นที่สุด นะแห่งความทุกขนะ์ซึ่งตรงนีนะ้เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าทุกคนนะที่มาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็มีความปรารถนาหรือนะเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันนะในการที่จะมาทำสิ่งที่พรพุทธองคนะ์ได้คน้นพบและก็ได้นำเสนอไว้ นะด้วยความเมตตานะของท่านนะเราก็มาเดินตามนะโดยมีครูบาอาจารยนะ์ในรุ่นหลังๆนะได้ถ่ายทอดนะด้วยภาษาร่วมสมัยนะบางทนะีเราไปอ่านภาษาปิฎกก็ดีบางทีไปเธอภาษาบาลีคดีเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะก็อาศัยครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆ นะที่ท่านใช้ภาษาร่วมสมัยในการที่เราจะเดินทางนะไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั้นนะก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยนะสิ่งสำคัญก็คือการเจริญสตินั่นเองนะซึ่งเป็นทางเอกนะเป็นทางสายเดียวนะที่จะพุ่งตรงนะไปสู่การที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ นะซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะหวังหรือปรารถนานะชาวพุทธทุกคนนะก็หวังปรารถนาอันนีนะ้เป็นความหวังสูงสุดนะของชีวิตนะในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักนะที่จะเกิดมาครั้งหนึ่งนะได้มาเป็นมนุษย์นะได้มาพบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็คงจะไม่ยอมที่จะเสียเวลาใ น, ะนที่จะไปทำเรื่องอื่นที่จะไปทำกิจาการอื่นนะกิจาการนี้ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนนะที่เราพึงกระทำในการเจริญสตินั้นนะก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำเสนอไวนะ้ไม่ว่าเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดนะีก็จะเริ่มต้นจากการที่เรา ให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อ น, นที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานเพราะว่า <c oughs> การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันจะชัดนะการเคลื่อนไหวสิบจังหวะนะการเดินจงกรมนะตรงนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว ทีนี้ในการที่เรา <c oughs> ยกมือก็ดีเดินจงกลมก็ดีเนี่ยสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ก็ดีผู้เก่าก็ดีนะนะต้องเจตนาหน่อยอย่าไปยกเฉยเฉยไปยกเฉยเฉยยกไปเรื่อยๆยกแบบอัตโนมัติเนี่ยบางทีก็เป็นการทาไปเปล่าๆทำไปฟรีๆนะไม่ได้เกิดอะไรบางทีก็ ยกไปคุยกันไปก็มีนะ น, นี่สังเกตนะนั่งคุยกันแล้วก็ยกไม้ยกมือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเผลอไปแล้วนหะรือบางทีเห็นเดินจงกรมเดินกันไปคุยกันไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็ทําให้เรา <c oughs> เสียเวลา น, น่าเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นในการสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเราเราต้องตั้งใจแล้วก็มีเจตนาที่จะรู้สึกตัว นะลงไปที่การเคลื่อนไหวจริงๆนะอย่าไปยกฟรีๆนะไปยกอัตโนมัติหรนะือยกไปอย่างนั้นเองอ่นะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เสียเวลาแรกๆเนี่ยก็อาจจะ <c oughs> เพ่งเพ่งเครียดไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นปรนะสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเออมันเพ่งมันหนักเกินไปนะมันเครียดเกินไปนะเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่อนคลายเอง โดยธรรมชาตินะมันจะ <c oughs> สอนเรานะความผิดเนี่ยจะสอนให้เราถูกเพราะนั้นการยกไม้ยกมือก็ดีการเดินจุ่มกลมก็ดีให้มีเจตนานะที่จะรู้สึกตัวนะพอเราทําไปบ่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะพอมันเริ่มรู้ตัวมันเริ่มคุ้นชินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเองนะแต่ตอนเป็นเองเนี่ย <c oughs> มันจะเริ่มที่จะ เข้าไปเห็นการเคลื่อนการไหวของการเดินของการยกไม้ยกมือการเห็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยตานะไม่ได้เห็นด้วยการคิดเอานะแต่เป็นการระลึกรู้นะหรือว่าสัมผัสรู้นะตรงนี้ต้องให้สังเกตเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนหนังสือมาเนี่ยเขาให้คิดรู้คิดรู้แต่การมาปฏิบัติเนี่ย สัมผัสรู้หรือระลึกรู้นะซึ่งตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ความคิดนะถ้าเราไปใช้ความคิดนั่นก็เป็นการปรุงแต่งและนะมันจินตนาการขึ้นมาและ้วะยิ่งถ้าบางคน <c oughs> อยากใช้มันรู้ตลอดนะบางทีก็เป็นนับหนึ่งสองสามบ้างไปนับซ้ายขวาบ้างนับหนึ่งสองสามอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็ <c oughs> ทำให้มันอ้อมเกินไปมันช้าเกินไปไม่ต้องนับเลยนะไม่ต้องไปบริกรรมเลยนะเพียงละลึกรู้กับการเคลื่อนไหวนะหรือสัมผัสรู้กับการเคลื่อนไหวต้องไปตรงมาแค่นั้นเองนะที่หลวงพ่อคาเขียนใช้คาว่ารู้ซื่อนะหลวงพ่อเทียนใช้ว่ารู้รู้เฉยเรู้ซื่อนี่แหละนะไม่ได้คิดรู้นะแต่รู้ กับการเคลื่อนการไหวในะการระลึกรู้การระลึกรู้กับการเคลื่อนการไหวของกายเนี่ย <c oughs> นะมันเป็นการเรียกสตนะิที่เคยนะท่องไปในโลกกว้างท่องไปข้างนอกนะกลับมาอยู่กับแนวกับตัวนะเรียกว่าเรียกใจกลับมาอยู่กับแนวกับตัวนะซึ่งจันทรง่งศิลป์ก็ได้มีสูตรสาเร็จนะที่เรียกว่า ใจมีสติอยู่กับกายอันนี้ก็คือเครื่องมือนะก็คือการเรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะคุ้นชินนะกับการที่เราใจเราออกไปนอกตัวนะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะบางทีตรงนี้มันก็ทําให้เราลืมตัวนะเราเผลอไป ในการเดินจงกรมก็ดีในการสร้างจังหวะก็ดีเนี่ยนะให้สังเกตให้ดีนะบางทีมันก็เพ่งมากนะบางทีมันก็เผลอบ้างนะบางทีมันก็พอดีพอดีะตรงนี้มันต้องสังเกตถ้าเพ่งมากเนี่ยมันจะมีอาการหนักหนักมึนมึนะถ้าเผลอนี่มันจะมีอาการแบบลอยลอยทำไปลอยลอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นนะตรงนี้เราต้องพยายามกลับมานะให้มันพอดีพอดี ความพอดีพอดีเนี่ยมันจะแสดงออกมาเอามันยกได้เรื่อยๆนะมันก็เบาๆโปร่งๆโล่งๆนะมันรู้สึกตัวมันพอดีพอดีของมันอย่างนั้นน่ะนะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรสชาติอาหารที่มันกลมกล่อมนะถ้าเราไปเพ่งเนี่ยก็เหมือนกับเราไปพยายามกดมันหรือพยายามอยากจะรู้มันก็ไปนะหรือบางทีถ้าเราไปเผลอ เราเพลินเรายกเพลินยกอัตโนมัติบางทีเคยสังเกตตัวเองก็ดีนะเคยสังเกตคนอื่นๆก็ดีเนะี่ยแต่บางทียกแล้วไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันทำทั้งวันเลยนะแต่ไม่รู้ตัวเลยนะซึ่งหลวงพ่อําเกียรเคยพูดเอาไวนะ้คนที่เดินจงกรมทั้งวันนะแต่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเรียกคนขี้เกียจนะคนขี้คานนะไม่ใช่คนมีความเพียร น, นะแต่คนที่ มีความรู้สึกตัวแม้นั่งอยู่นอนอยู่ไม่ได้เดินจงกรมก็ถือว่ามีความเพียรเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดใหญ่สำคัญก็คือให้เรารู้สึกนะกับอิริยาบถต่างๆนะโดยเฉพาะย่างยิ่งการทำในรูปแบบเนี่ยนะนะก็เป็นวิธีการที่รัดสั้นตรงนะตรงไปตรงมานะแต่ให้เจตนาเข้าไปหน่อยนะแล้วเราก็คอยปรับนะว่ามัน ให้มันพอเหมาะพอดีนะให้มันกลมกลืนให้มันกลมกล่อมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกไดนะ้นอกจากตัวเราเองนะถ้ามันหนักเกินไปนะก็ผ่อนลงถ้ามันเบาเกินไปก็เพ่งลงไปหน่อยนะตรงนี้เป็นศิลปะนะศิลปะของการเจริญสติทีนี้เมื่อเราเอารู้สึกที่กายชัดเนี่ยนะ ในขณะที่กายชัดเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นแล้วละ่นะความปวดความเมื่อยนะซึ่งเป็นอาการของกายที่มันแสดงออกมาแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้มาดูเรื่องพวกนี้ความปวดความเมื่อยก็จะเป็นปนัญหาจะทำให้เกิดความหงุดหงิดความลำคาญความไม่ชอบนะขึ้นมานะแต่เมื่อเราได้มาฝึกนะมาปฏิบัติมาสังเกตเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้พอเวลามันปวดมันเมื่อยเนี่ย มันจะส่งไปถึงใจที่มันหงุดหงิดได้นะนะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจขึ้นมาได้นะเนี่ยตรงเนี้ยประฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเรียนรู้นะจากสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเลยการเห็นธรรมะไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นตรงเนี้ยเห็นความปวดความเมื่อยนะเห็นความร้อนความหนาวนะเป็นความารู้สึก นะความรู้สึกตัวที่เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏหรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นนะหะรือบางคนอาจจะไม่สบายเป็นไขนะ้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะตรงนี้เราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราควรจะเรียนรูนะ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปส่งผลต่อจิตใจอย่างไรนะตรงนี้เราก็จะเห็นนะแต่ก่อนเราไม่รู้นะบางทีเราก็เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมา ที่บอกว่าความพอใจไม่พอใจในโลกเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้แหละนะที่มันเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มาเรียนรู้เนี่ยนะก็จะพัดหลงไปดังพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะแต่เมื่อเรามาฝึกมาหัดแล้วเนี่ยนะเราจะเกิดการปล่อยวางเกิดการวางใจเองนะมันจะเห็นว่าโอ้พอใจมันก็ ไม่คดีเท่าไหร่ไม่พอใจมันก็อึดอัดพอใจมันก็เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ <c oughs> สาธยายมนไปเนี่ยอ น, นิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอันนั้นเขาเรียกว่ารู้จำนะหรือว่าจดจําได้นะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเราจเจริญสติเนี่ยเราจะ ประสบกับภาวะจริงๆอันนี้ก็เรียกว่ารู้แจ้งถ้าเราเราเห็นบ่อยๆมันจะรู้จริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการคิดนึกเอาไม่ได้เกิดจากการเข้าใจจากการอ่านหนังสือจากการได้ยินได้ฟังแต่มันเกิดจากการที่เราได้สัมผัสสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นนั้นก็คือตัวความรู้สึกตัวนั่นเองเราไปเห็นความแปรปรวนของร่างกาย ของอาการต่างๆของร่างกายที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนะี่มันมีอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันมันมทีทุกเวลานาทนะีเพียงแต่ว่าสติของเรายัางไม่ชัดเท่านั้นเองนอกจากนั้นเนี่ย <c oughs> นอกจากกายแล้วนะก็มาตรงที่เวทนาเวทนาเนี่ย <c oughs> ภาษาไทยเราไปเข้าใจว่าเป็นน่าสงสารนะแต่บาลีหมายถึงความรู้สึกนะ ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือแม้แต่ความรู้สึกเอ๊ะม so, ันสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรนะเออนี่ก็ก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะถ้า <c oughs> สติหรือความรู้สึกเราคมชัดเนี่ยนะเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านีน้แหละนะเราก็จะเห็นว่าเออความสุขเนี่ยเราก็อยากให้มันอยู่กับเรา Wein ž. นานๆเนาะมันทําให้เราพอใจความทุกข์เนี่ยเราไม่อยากให้มันอยู่เลย โอ้มันลำบากนะเช่นความปวดความเมื่อยก็ดีความพอใจไม่พอใจก็ดีเราไม่อยากให้มันอยู่เลยนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามใจเราไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองนะเราเพียงแต่มีหน้าที่ดูนะดูแล้วเห็นแล้วก็เห็นความจริงของมันว่าอ๋อมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนะ ถ้าเราไปยึดไปถือเนี่ยนะมันก็จะหนักนะเมื่อหนักแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยต้องวางนะตรงนี้การที่เราไม่ได้มาเจริญสติเนี่ยบางทีเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไปยึดไปถือนะเหมือนเมื่อวานอาจารย์ทรงศิลปได้เปิดหลวงพ่อเทียนให้ดูนะท่านก็เอาเดินเหนียวนะไปคว้างติดกับผนงังนะ น, นี่ก็คือความยึดถือนั่นเองนะ ความยึดถือในความความสุขนะความพอใจสิ่งที่เราสมปรารถนานะีมันสมอยากนะีมันก็ยึดติดนะเนี่ยก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีสติสัมปชัญญะหรือมีความรู้สึกตัวนะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเห็นความจริงตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปยึดถือมันก็หนักอนะ นะถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางมันก็หนักถ้าเราปล่อยเราวางมันก็เบาเพราะนั้นการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการนึกคิดเอาไม่ได้เกิดจากการที่เราอ่านหนังสือแล้วบอกให้ปล่อยวางหรือ ไ, ได้ยินให้ฟังครูบาอาจารย์บอกให้ปล่อยวางแต่มันเกิดจากการที่เราปฏิบัติแล้วมันปล่อยวางเองนะตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเขาจะเป็นตัวชี้เห็นเนื้อเป้ามันอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยเปัญหามันอยู่ตรงนี้นะจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้นะคุณจะทํำยังไงแต่ปัญญามันจะเข้ามาทันทีนะมันก็จะเกิดการปล่อยกันวางแรกแรกมันก็ปล่อยวางไม่ได้หรอกมันก็ยกหนักแบกหนักอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันทําซ้ํำๆทํำบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยวางเองนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเวทนาเองเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สติี่จะเข้าไปเห็นไปรู้นะ นอกจากตัวเวทนาแล้วนะก็คือตัวจิตนะตัวจิตนี่มันพูดพูดไปมันก็ฟังยากนะแต่มันมีอาการของจิตอันหนึ่งที่เราเห็นกันได้ง่ายๆก็คือความคิดปรุงแต่งตัวความคิดปรุงแต่งเนะี่ยเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดเร็วมากๆเร็วกว่าแสงนะไอสไตน์บอกว่าสิ่งที่เร็วกว่าแสงนั้นไม่มีตัวตนนะก็คือความคิดนี่แหละนะซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดไม่รู้กี่เรื่อง อาจารย์ทรงศิลป์เคยให้ข้อมูลไว้ว่านะนักจิตวิทยาเข า, เาทําการสํารวจนะแล้วก็บันทึกไว้วันหนึ่งเราคิดประมาณห้าหมถึงหกห0 0่นเรื่องนะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอโหมหาศาลเลยประนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราคิดไม่รู้กี่เรื่องแตนะ่ซึ่งความคิดนี่แหละนะพาให้เราดีใจเสียใจพาให้เราพอใจไม่พอใจนะตรงนี้เนี่ย <c oughs> ทำให้เราใจไม่ปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราไม่ได้มาเจริญสติเนี่ยมันจะไม่รู้ทันเลยชีวิตของคนที่ไม่ได้เจริญสติเนี่ยเป็นชีวิตที่คิดรลูนะคิดแล้วก็รู้ไปเรื่อยเปยื่อยนะคิดนั้นคิดนี้ทำนั้นทำนี้คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้นชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้ นะซึ่งตัวผมนิเมาเองก็เคยหวังอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราต้องเรียนหนังสือให้ดีนะทํางานให้ดีมีการมีงานมีครอบครัวนะมีเงินมีทองมีวัตถุต่างๆนะซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยนะทำให้เราสะดวกสบายอยูนะ่แต่ว่าสิ่งนั้ น, นก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุภายนอก นะมันช่วยทําให้เราสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ความสุขภายในภายในจิตใจเนี่ยมันยังไม่ถึงที่เดียวแต่เมื่อเราได้มาเรียนรู้นะมาเรียนรู้เรื่องสตินะเรื่องการเจริญสติเนี่ยเราก็พบว่าโอ้ในจิตใจนี่นะมันก็มีความเป็นปกติสุขอยู่นะมันมีความสุขที่ประณีตอยู่ภายในนะเมื่อใดก็ตาม นาที่เราไม่หลงไปในความคิดปรุงแต่งนะเมื่อเรารู้เท่าทันตัวที่จะทำให้เรารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าเร็วแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เร็วกว่าความคิดก็คือความรู้สึกตัวแต่ที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่พอนามันเฉื่อยนามันไม่ฉับไวพอนาจึงจาเป็นต้องมาเจริญสตินาเรียกว่ามา กความรู้สึกตัวนี้นะซึ่งมีอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นมานะเราไม่ได้สร้างสติขึ้นมาสติมีอยู่แล้วความรู้สึกตัวมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรา <c oughs> ปลุกให้มันเตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นไม่มันเฉื่อยเนื่อยนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปทันความคิดนะความคิดปรงแต่งซึ่งทำให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจ เกิดความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ไอ้ตรงนี้นี่แหละนะตรงที่เราไม่รู้ทันความคิดนี่แหละความคิดตรงนี้เนี่ยนะทำให้เราอยู่ในโลกที่มันผัน ผ, น ผ, นผนปลปลวนแปรปรวนนะแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ใจเรานึกคิดไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนอกจากจะให้เรารู้กายรู้เวทนา นะก็มาเห็นจิตรูนะ้จิตนะเห็นอาการของจิตนะซึ่งมีสารพัดนั่นแหละนะที่จะแสดงออกมานะตรงนี้เป็นส่วนที่ที่เราจะได้เห็นนะเมื่อเราทําบ่อยๆทีนี้นอกจากในส่วนของจิตแล้วนะธรรมชาตนะิต่างๆที่ปรากฏนะภายในตัวเราก็ดีภายนอกตัวเราก็ดีนะเป็นสิ่งที่ เราจจให้ได้เห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สนีะ่ที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปทานนะที่เราได้สาธยายมนต์กันไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของสัมมาสตินะคว่าธรรมานุปัสสนาสติปทานนก็คือการที่เรามีความรู้สตูนะมีสติสัมปชัญญะนะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตัวเราภายนอกตัวเรานะธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนธรรมชาติที่ทนอยู่ไม่ได้นะธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมานะปัญญาที่จะเห็นความจริงจริงๆปัญญาเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่กายแล้วละ่ะนะมันไม่ใช่มาเห็นขั้นสุดท้าย คำว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยไม่ได้ปัญญาที่เกิดจากการคิดนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนะที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอิสระเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะแต่ที่เราทุกกันเนี่ยเพราะว่าเราไปยึดถือเราไปแบกไปหนักไปหลงนะที่ใจมันเป็นอย่างใจที่เราต้องการนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์ ทีนี้นมเมื่อเราเห็นความจริงตรงนี้นะมันก็จะเกิดการปล่อยวางนะมันก็จะสัมผัสกับความผลทุกนะซึ่งความพ้นทุกก็คือความเป็นปกติของใจนะที่แสดงตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความพ้นทุกเนี่ยมีอยู่แล้วนะในใจเราทุกคนแต่ที่ <c oughs> เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เราไปหลงหลงในความคิดปรุงแต่งหลงในสิ่งต่างๆ นะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมานะตรงนี้ความเป็นปกติของใจความพ้นทุกข์มันก็เลยโดนบงังนะเหมือนกับหลวงพ่อเทียนท่านชอบเปรียบเทียบ น, นะว่าใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์นะเหมือนดวงตะวันนะที่มันส่องสว่างอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่มันมืดนะมันมันบังไปนั้นเพราะมันมีเมฆหมอกมาบางัง นะอันนี้ก็เหมือนกันใจที่สว่างสวัยเนี่ยนะมันโดน <c oughs> ความคิดปรุงแต่งความหลงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเข้ามาบางังเป็นบางขณะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ที่ไม่ได้เจริญสติเนี่ยก็จะไม่รู้เท่าทันแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยมีกิเลสมีกิเลสตลอดเวลานะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นชั่วครั้งชั่วงขาวเท่านั้นเองสิ่งที่เป็น <c oughs> แสดงให้เห็นชัดเจนก็คือจิตใจที่สว่างสวยจิตใจที่ผ่องใสที่มันมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขามีมาอยู่แล้วซึ่งครั้งนึงได้มีโอกาสไปอ่านพระไตรปิฎกในอคัญยสูตรพูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพรม เทพนะประพัฒสลับมนะคือแต่ก่อนเนะี่ยมีแสงสว่างในตัวนะไม่ต้องกินอาหารเลยมีอาหารทิพธ์นะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้หวนคิดถึงมาว่าเออสืบทอดมาถึงตรงนี้นะความสว่างสวัยในจิตใจนะที่อ้างไว้ในคำภีเนี่ยนะมันก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่องนี้ เราไปสนใจที่จ ะ, สะแสวงห า, าความสะดวกสบายไปสแสวงหาวัตถุภายนอกนะไปสะแสวงหาความสว่างสวัยภายนอกนะไม่ได้มาดูความสว่างสวัยภายในนะก็คือจิตใจนะที่มีสติสัมปชัญญะนะมีปัญญานะมีสมาธินะไปพร้อมกันนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นที่รวมของธรรมะทั้งหลาย นะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ธรรมทั้งหลายจะผุดขึ้นตรงนีนะ้เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้นะว่าอรอยเท้าช้างเนี่ยเป็นที่รวมลงของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายความไม่ประมาทนะก็เป็นที่รวมลงของธรรมะทั้งหลายเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะเรียกว่าเป็นการที่เรามาปฏิบัติในจุด ที่เป็นสุดยอดของการปฏิบัติจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกได้อันนี้เป็นสิ่งที่ให้เรามีความเชื่อให้เรามีความศรัทธาแล้วก็พิสูจน์ลงไปจริงๆถ้าเราไม่มีความเชื่อเรายังไม่ศรัทธาเนี่ยเราก็ยังไม่ทำหรอกเราก็อยู่กันไปวันๆหนึ่งก็บเป็นชีวิตที่ ไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายนะเมื่อมองดูอดีต ท, ที่ผ่านมาสำหรับตัวเราเองนะเมื่อมีความทุกข์เนี่ยเราก็มักจะกบเกลื่อนนะเรียกว่าชีวิตที่กลบเกลื่อนนะหรือบางทีกบเกลื่อนมากๆนะก็เก็บกดนะตรงนี้ซึ่งทั้งกบเกลื่อนแล้วก็เก็บกดเนี่ยมันก็เอ่อไม่พอดีนะต้องเป็นชีวิตที่กลมๆนะ เพ่ชีวิตที่กลมกล่อมนี้ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นตัวที่ปรับสมดุล น, นะให้ใจเนี่ยที่มันเลียงไปทางดีใจบ้างพอใจบ้างหรือว่าเสียใจบ้างกลับมาเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นยอปรารถนานะของการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุพทธศาสนานะและยิ่งได้มา อยู่ที่วัดป่าสุขโตนาได้อาศัยบรรยากาศณของป่าที่เงียบสงัดณอาศัยครูบาอาจารย์กาลยาณมิตรนาเพื่อนณที่มีใจจิตใจตรงกันร่วมกันสร้างบรรยากาศนาที่จะให้เรามาเรียนรู้ณที่จะพากันไปถึงจุดเป้าหมายก็คือการพ้นทุกข์นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นลาภ เรียกว่าเป็นลาบอันประเสริฐทีเดียวละนะของการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุพทธศาสนานะและได้มาใช้ชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าอย่าได้เสียเวลากับเรื่องอื่นเลยนะให้มาทำเรื่องนี้การเจริญสติแม้ว่าบางครั้งนะจะมีปัญหามีอุปสรรคนะก็พยายามอดทนแล้วก็ใช้ความเพียร นะตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราทำจริงก็จะได้ผลจริงๆนะซึ่งอันนี้เป็นคาที่หลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้นะที่ทับนิ่งขวัญ น, นะคนจริงก็ต้องรู้ของจริงแต่ถ้าคนไม่จริงก็รู้ของไม่จริงนะถ้าทำเล่นๆก็ได้ของเล่นๆไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้โดยเฉพาะ ที่มาบวชเพียงแค่ในพรรษานะก็ขอให้ใช้เวลานี้ถึมที่สวญญาณโยมที่มาอยู่เป็นครั้งคราวอย่างน้อยๆได้เอ่อรูปแบบการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัตนะิก็พยายามใช้เวลาที่นี่กับเรื่องนี้ให้ถึมที่แล้วก็ติดตัวกลับไปที่บ้านเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะก็ในท้ายที่สุดนี้ นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระสีรัตนไตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานนะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจนมาถึงสติสัมปชัญญะนะก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ในตัวเรานะก็คือพระพุทธในตัวเรานะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริง นาะที่พุทธองค์ได้กล่าวได้แสดงไว้แล้วก็เป็นจริงนะที่เกิดขึ้นในตัวเราจริงๆนะแล้วก็พระสงค์นาะก็คือพระอริยาสาวกนะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะมาจนถึงปัจจุบันนาะทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์นะแล้วก็ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันนระวมถึงตัวเรานะซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินะ ด้วยคุณของภาษีรัตนาตายนี้จนะเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจนะให้พวกเราได้มีความเพียรความพยายามในการที่เจริญสตินะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะใช้เวลาทุกเวลานาทีเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะเพื่อความพ้นทุกข์ในเรนวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร